ว่าเรากินอาหารเพื่ออะไรเป็นการเตือนใจตัวเองว่าเรากินอาหารเนี่ยไม่ใช่เพื่อความอริดอร่อยนะไม่ใช่เพื่อความโก้รูแต่ว่าเพื่อให้ร่างกายเนี่ยเราอยู่ได้นะแล้วก็เพื่อบําบัดความทุกข์ความยากความลําบากเช่นความยุ่งอยและสุดท้ายก็เพื่อให้เราเนี่ยสามารถจะมีเรื่องมีแรงนะ ไปใช้ชีวิตให้เกิดประโยชน์ทําความดีนะผูนะกเราสังเกตดูก่อนที่พระจะชันเนี่ยก็จะสวดเป็นภาษาบาลีนะบาลีบทที่สวดเนี่ยนะก็เรียกว่าเป็นภาษาบาลีเรียกตังคณิปัจเปจเวปัจจเวกคือพิจารณานั่นเองก่อนที่จะทานอาหารคือพิจารณาว่าเราไม่ได้กินอาหารเพื่อความเพลิดเพลินสนุกสนาน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 เพศสัมพันธ์หรือเมตุนวิรัติพรหมจรรย์ในพุทศาสนาก็มีความหมายกว้างหลายระดับนะเพียงแค่การมีศีลห้าหรือว่าการซื่อสรรยในคู่ครองก็ถือว่าเป็นพรหมจรรย์แบบนึน่ได้เหมือนกันนะเพราะพรหมจรรย์ความหมายจริงๆคือชีวิตที่ประเสริฐชีวิตที่ดีงามนะคราวนี้เวลาเราไปตักอาหารเนี่ยนะก็พิจารณาคือเตือนใจเราว่าเรากินอาหารเพื่ออะไรหรือควรจะกินเพื่ออะไร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 บางคนอาจจะมีโรคหรือว่ากำลังจะเป็นโรคเช่นเบาหวานถ้าตักขนมตักของหวานแม้ว่าใจจะชอบนะแต่ถ้ามันเป็นอันตรายต่อสุขภาพของเรานะก็ไม่ควรบางคนมีโรคหวัวใจหรือว่ามีไขมันในเลือดเยอ ะ, อะก็ไม่ควรจ ะ, ะตักประเภทพวกเนื้อของทอดของมันอันนี้ก็คือการ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 นะอยากอะไรอยากกินของอร่อยอยากกินของชอบ เ, อเรากินของตามความชอบมาบ่อยแล้วเรียกว่าเอาความถูกใจเป็นหลักมาที่นี่ก็ลองกินอาหารโดยคำนึงถึงความถูกต้องมัง้งความถูกต้องทั้งทางกายและทางใจที่พูดมาชักคุณเป็นความถูกต้องนะทางกายก็คือว่ากินอาหารหรือเลือกพิจารณาอาหารที่มันมีประโยชน์ต่อสุขภาพหรือว่า มันไม่เป็นของสแสลงต่อโรคหรือว่าไม่ทําให้ร่างกายหรือสุขภาพเราแย่ลงอันนี้นอกจากความถูกต้องทางกายและความถูกต้องทางใจคือว่านะกินเพื่อให้สุขภาพจิตเราดีขึ้นนะถ้าเรากินด้วยอารมณ์กินด้วยความอยากนะก็กลายเป็นว่าจิตของเราเนี่ยนะมันถูกกิเลสนะถูกตัณหาคล่อมงําได้ง่าย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 แต่ก็ยังร้องขอนะขอกินของหวานขอกินช็อกโกแลตนะขอกินข้าวเหนียวมะม่วงบางคนก็ขอกินหมูพะโลขาหมูนี่เรียกว่ากิเลสมันคลองใจแล้วจนกระทั่งต้องเป็นท่าของมันนะแล้วสุดท้ายก็เลยตายเร็วห้ามใจไม่ได้นะถ้าห้ามแล้วนี่จะจะเป็นจะตายให้ได้ ไม่ต้องพูดถึงบุหรี่นะไม่ต้องพูดถึงเหล้าเนี่ยของคนที่นั้นเวลาเรากินอาหารเนี่ยจะต้องพิจารณาว่ากินเพื่ออะไรนะะอะไรคนกินจริงจริในพุทธศานสนาเนี่ยนะมันมีสองคำถามที่เราพิจารณาเสมอคือกินอะไรแล้วก็กินอย่างไรในทางสุขภาพก็จะในเรื่องการกินอะไรเจรงกินอาหารเนี่ยครบห้าหมวดหรือว่ากินอาหารให้มันถูกสุสักษณะถู ก, ก, กอย่า ก, กินหวานกินเค็มมาก อย่ากินของทอดของมันมากนะกินของเค็มมากเดี๋ยวนี้ก็ไตวายอันนี้ก็ไปเรื่องใจต้องพิจารณาถ้าว่าเรารักตัวแต่ว่าท่านั้นไม่พอนะนอกจากกินอะไรแล้วต้องถามว่ากินอย่างไรด้วยในธรรศาสนานี่นะการกินอย่างไรก็สำคัญก็กินกินอย่างมีสติกินอย่างมีสติหรือว่าก่อนกินก็พิจารณาว่ากินเพื่ออะไรการกินอย่างไรก็สำคัญนะ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 แนะนําว่าเวลาไปอาหารก็ให้พิจารณาด้วยเริ่มต้นโดยการเตือนใจเราว่ากินเพื่ออะไรหรือควรกินเพื่ออะไรแลังนั้นก็เลือกดูพิจารณาว่าของอะไรที่ควรกินและขณะที่เอาอาหารมาตั้งไว้อยู่ข้างหน้าเมื่อจะเริ่มกินก็ให้กินอย่างมีสตินะอันเนี้จะทําให้การกินเนี่ยมันเป็นการปฏิบัติทําไปในตัวเป็นประโยชน์ทั้งทางโลกทั้ทางธรรมเป็นประโยชน์ทั้งต่อร่างกายและจิตใจด้วยอ่ะเราก็เตรียมรับพร อิสิตังปติตังตุมหังขออิทธผลที่ท่านปรารถนาและตั้งใจแล้วที่ปาเมวาสมิชาตุจงสำเร็จโดยชาพรตาเพบุเรนตุสังกับปาพอความดำหรือท้งพวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยต า, าเหมือนพระอาจารย์ น, นวันเพนมานิโชติราโซยต า, าเหมือนแกามานิอันสว่างสวยควรยินดี สาภิตโยวิวัชันตูวาจงจารร้ายทางผัวงจงบำราบไปกาปารโรโค ว, วินาสตูโรคทางผัวงของท่านจงหายมาตทภาวะ ว, วันตรารโย ο, อันตรายามีแก่ท่านสุขิธีขายุโกภาวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวานนาสีลิสนนิจังุทธาปจายโน จันตาโรธรรมะวาทานที่อายุวันโนสุขังพลังสี่ประการคืออายุวันนาสุขะพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหวกราบปกติอ่อนนอนต่อผู้ใหญ่เป็นนิภาะวะตัสาพมังคลังพอส า, าพมองคนจงมีแก่ท่านราคันตุสาพเทวตาขอราเทวดาทั้งปวงจงรักษ า, านา สาภาะพุทธานุพาเวนาด้วยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุพาเวนาด้วยอนุภาแห่งพระธรรมสัพพะสังฆานุพาเวนาด้วยอนุภาแห่งพระสงฆ์สาธาสโสทิภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านผุกเมื่อเธอ